ตามความมุ่งหมายของคนเดชตัวสรมมาตุสเจา้าก็ต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์เถ้าอยากะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ต้องรู้จักทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จะมีทุกข์ไปทำไนถูกไหมเพราะนว่าทุกข์ที่เราต้องการจะทราบกันก็คือความเกิดอัรมชาที่มีทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์ เวลาบรทุกขาความแก่บรรทุกต้นนำบรรทุกขังความตายเป็นทุกถณาใดถ้ายังเกิดมาอยู่เวลานั้นก็ย่อมทุกข์เพราะทุกข์จากการเกิดทุกข์จากการแก่ทกข์จาการป่วยไข้มาสบายพ้นทุกข์จากความตายก็้ามาถึงถ้าอยากพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ต้องพิณิพัน นเรื่องพรนิพพานความจริงเป็นของไม่หนักสำหรับผู้มีบารมีเต็มแต่ถ้าบารมียังไม่เต็มคนหนักเป็นของธรรมดาการจะปฏิบัติตนพระนิพพานทำยังไงอันนี้บรรดาญาตรริโยมพระทศรรษหลายก็ทำอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนให้ทานแกสัตว์ก็ดีให้ทานกับคนก็ดี ถ้าไทยนกับพระสงค์ในพุทธศาสนาก็ดีจะให้ทานกับใครก็ตามคําว่าทานการให้อันนี้เป็นปัจจัยตัดโลภความโลภและการจะไปที่ภัยจริงๆก็ตัดกิเลสสาตัวหนึ่งโลภความโลภสองโทสะความโกรธสมโมหะความหลง ถ้าแตกกิเลสสามตัวนี้ได้ก็ถือว่ากิเลสทั้งหมดหมดไปเพราะถ้าสามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรากเกางของกิเลสทั้งหมดนการแตกความโลกของวันดาแทนพุทธบริษัทก็มีการให้ทานเป็นพื้นฐานแล้วการให้ทานของวันดาแทนพุทธบริษัทตามคําแนะนําขององค์สมนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต, ต้องให้ไม่เบียดเบียนตัวคืนไป ว่าการให้ต้องพิจารณาก่อนว่าให้แล้วเราจะลำบากมากเกินไปไหมถ้าต้องกันเลยก่อนแล้วสิ่งนี้ต้องใช้เพื่ออะไรไม่เหนว่าให้ไปแล้วไม่เดือดร้อนจึงให้การให้ทานครั้งหนึ่งก็คิดว่าเป็นการตัโดโลภความโลภชิ้นหนึ่งการให้ทานมาจากอะไรอารมณ์ใจที่เป็นปัจจัยเกิดการให้ทาน คือการให้เฉยๆที่มีกำลังเบาเกินไปแต่ไม่เฉยๆลงแล้วต้องมีกรรมฐานประจำเพราะทํำลายรากเก่าของความโลภกรรมฐานประจาทาลายรากเก่ของความโลภ ก, ก็คือจาคานุสติกรรมฐานคําว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นอว่ า, าหมายความมีจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะให้เราจะจงคอบก มันนั่นหมายควาเรามีหรือไม่มีถ้ายังไม่มีนเราไม่ให้แล้วมีน้อยเกินไปให้ไม่ได้เราก็ยังไม่ให้แต่จิตที่จะให้จิตจะที่จ ะ, จะสงเคราะห์มีอยู่ขณะใดที่จิตมีอารมณ์เดียวคือคิดจะสงเคราะห์คนและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขต่างกําลังคิดไว้นะ ที่อันหนึ่งจิตคิดจะแย่งรัพย์สบัติเขาไม่มีคิดจโกงเขาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ที่ว่ามีกําลังจิตเป็นฌานนาจาคานุสติกามัฐานเมื่อกำลังจิตเป็นฌานนจารคานุสติคือที่จะให้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้ทั้งหมดต้องดูก่อนว่าการให้เราจะเดือดร้อนไหมถ้าเราจะเดือดร้อนเราก็ยังไม่ให้ ยังไม่พอกินไม่พอใช้เราก็ยังไม่ให้แต่เหลือบ้างพอสักคนเราก็แบ่งให้ใจคิดว่าจะให้แล้วก็จิตคิดอยากได้สัตว์สบายทุกคนอื่นโดยไม่ชอบามไม่มีในเมื่อโอกาสมีทรัพย์สินมีพอจะให้ได้แต่ก็ให้อย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้มีฌ า, า, านในฌานคาลุติกรมฐานใครถา ม, มาา่าจานคาลุตติกามฐานต้องนั่งภาวนาคันสมาธิไหม กาขอตอบว่าไม่จําเป็นต้องทำเพราะคำว่านุสติประวัติไม่ถือถ้าจิตยังคิดอยู่ว่าใครก็ดีถ้ามีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยเราจะช่วยได้เราก็จะช่วยถ้าเกินวิสัยเรายังไม่ช่วยยักยังไม่กอดต้องจิตที่จะช่วยมีอยู่ <c oughs> เพียงเท่านี้หรือว่าทุกท่านมีธานาจา ร, า, ร า, านุสติประวัต ในเม่กกำลังใจเป็นชาในจาคานุติกรรมฐานแล้วกำลังความโลภ ก, ก็ลดตัวลงต่อไปเราถึงการให้โกาสมีเราสามารถให้ได้เกี่ยวบความลดก็บรรเทาลงไปอีกเจียวกั่้างในที่สุดจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สบัติขงคนอื่นใจโดยไม่ชอบธรรมไม่มีในเราทั้งนี้เป็นเรื่องการค้าการขายเป็ของธรรมาดานั่นไม่ใชโกงเขา มีการขายมีโกงหรือเปล่าก็รูความว่าการโกงไม่มีได้มาได้ชอบทำเป็นการแลกเปลี่ยนการตกลงราคาซึ่งกันการค้าขายมีกําไรในของธรรมาดาเป็นความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้ไม่ถือว่าโกงนอกจากนั้นโอกาสแจ้งทานมีอยู่เราก็ให้ต่งกำลังอย่างนี้เท่ยวโลภะความโลภหมดไปจากจิตของท่าน เนความโลภโลภโหดใจใจไม่ใช่ไม่อยากได้ไเลยเลยยังอยากได้อยู่แต่ไม่อยากได้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำไม่คดไม่โกงเขาคนที่มีทรัพย์น้อยอยากจะร่ำรวยมีความขายันหมั่นเพียรโดยสุจริตทำอย่างนี้ไมายถึงเป็นความโลภพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเรี่องจีบโดยชอบทำเห็นไหมอย่าลืมนะ เรียนนึกว่าอยาได้ทรัพย์สมบัตให้เกิดขึ้นเป็นความโลภอยากกินข้าวเป็นความโลภหรือเนะปล่าตัดความโลภ ก, ก็ตัดกินข้าวามหมดโลภแน่เห็นไหมรวมความความโลภตัดทีท่ีนี้นะไม่ยากนะ <c oughs> หนึ่งมีจาระคาญตึงกรรมฐานประจําใจคือคิดจะให้คิดจะสงเคราะห์แล้วสองถ้าโอกาสมีเราสงเคราะห์ แล้วก็สารจิตคิดอยากที่ได้ทรัพย์สมบัติเขาก็คนอื่นใดมาเป็นคนตัวตวโดยชอบธรรมไม่มีนในเราถ้าจิตทรงได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่้ว่าทุกคนร้าง แ, แรกที่เข้าถึ่นิพพานขัาวึงเราแล้วจะลงํำได้ไหมเหง่ถ้ายินยินน่า ก, ก็จะได้ยาก <c oughs> แล้ก็ที่สองปัจความโกโรธและปัจยกิเลสอยู่สามตัวความโกโรธให้ตามแบบที่พุทธเจ้า ส, สอนถ้าใช้กรรมฐานก็ใช้กรรมฐานสองหมวดตัวที่หนึ่งคือปุมิหารสีปุรหารสีก็หนึ่งไมตทาความรักสองปรุนาความสงสาร สามตุขตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสิยาไข่คนเห็นคนอื่นได้ดีพอยิง ด, ด้วยและก็สีอ่อบเปะขาวางเฉยถ้าหลวงพ่อท่านบุญใดส่งความรักส่งความสงสารไม่ฉาดิสิยาไข่วางเฉยในหุ่เมื่องของคนอื่นเสี่มงรำอย่างนี้การนะงับความโลภจะเกิดขึ้นบันนทาความโลภเพียงแ่น้อยนะ ไเขาเขาโทษความโกรธแตความโรทีย่ยตากันฟุบปั้กแต่มันไม่หายหรอกต้องค่อยๆเป็นเท่าตื่นขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกขึ้นคิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเป็นผู้ทรงพูมีหารสีคือหนึ่งเราจะรักคนในสัตว์ทั้งโลกเหมือนกับรักตัวเราสองกลุ่นา เราจะสงสารบวังการสงเคราะหสัตว์ทั้งโลกในคนทั้งโลกเหมือนการสงสารตัวเราสามุติตาเราจะ ไ, ไ, ไม่อิจฉาในเสียไครเมื่อคนอื่นได้ดีเพรยินดีด้วยซิวเมคขาคนอนเห็นคนอื่นเรื่องฟั่มเราไปซ้าเติมในความมีความทุกข์บกขึ้นวานใส่ไว้นการปฏิบัติเพื่อมีหารศีไม่ใช่ง่ายขอยากยากไหม นะยากนะยากคนหาสี่ม่ใชง่ายการทําใจให้รักไม่โกรธ ถ, ถ้ามีคนมาไข่คอบปป่อยๆมันก็โกรธไม่รักเหมือนกันใช่ไหมโกรธสลืมรักนี่ครัว่าเราจะสงสัยเขาเขาฝ่าฝืนบ่อยๆความสงสัยก็สลายตัวไปมันยา ก, ยากไม่ใช่ง่ายเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าทรงตัดไป้สองหมวดถ้าหมวดแรกคุณหาสี่ไม่เหมาะสําหรับอารมณ์จิตของเรา ก็ใช้โมดทีสองโมทีสองใช้กระสินก็ะสินจริงๆมีสิอย่างแต่ว่ากระสินเฉพาะระงับความโกรธมีสี่เือหนึ่งก็ะสินสีแดงสองก็ะสินสีขาวสก็ะสินสีเขียวแล้วสี่กรสินสีเหลืองเอาสีใดสีหนึ่งก็ได้ตามใจชอบถ้าใชอบสีแดงก็จะ้กระสินสีแดง ถ้าสีขาวสีเขียวจะเหลืองเสียอะรก็ตามใช้กับสินสีนั้นตามแบบการปฏิบัติกับสินถ้าในทําปรนสะดึงวงกลมโตพอสมควรใช้ผ้าสีก็ได้ไม่ต้อใช้สีทาถ้าต้องการสีแดงก็ใช้ผ้าสีแดงถ้าต้องการสีเขียวใช้ผ้าสีเขียวเป็นต้นแต้สีสีนี้สีใดสีหนึ่งก็ตามเป็นกับสินสั้งรับความโกรธ อันับแรกเป็นการยักย้างความโกรธถ้าเป็นชายถ้าเป็นชายกนะ็กดความโกรธไม่โกรธมาวิธีทำดีหัหยพูดดีไหมนี่นะทำได้ไหัหยวิธีทํก็คือผ้าสีแดงและสีเขียวสีเหลืองสีขา ว, วาตามมาวาธนาเวลาใจตามมองให้มองเฉพาะผ้าสีสีนั้นนั้น ลืมตามองแล้วก็จำภาพไปได้จำภาพได้ก็หลับตานึกถึงภาพสีนั้นภาพภาพเลือนไปจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่พอจำได้ดีก็หลับตาลึกถึงภาพภาพภาวนาความิภาวนาเป็นภาษาไทยดีกว่าภาษาบาลีถ้าาแปลเป็นไทยอะไร ส, สีแดงก็นึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองก็เหมือนกันรมอย่างนี้ถ้าจิตเข้าถึงอุปจากสมาธิกําลังจิตโทสะจะบรรเทาลงมากโทสะยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีก็สิ้นไม่ทําลายโทสะไม่ได้แต่ยักยังโทสะได้โทสะยังมีอยู่แต่เกิดช้าและก็มีกําลังเบา ถ้ากาลังจิตถึงชาญโทสะจะระงับเมื่อชาญเกิดแต่ว่าชาญสลายตัวเป็นอากชานอารมณ์ตอนตัวอารมณ์สมาธิเล็กน้อยยังมีอยู่อย่างนี้ความโกรธอาจจะเกิดขึ้นจะมีความเบามากต้อมีเระมีกําลังหายเร็วกลงความว่าการสิน้นทั้งสี่ราการจะถือว่าทําลายโทสะเด็ขาดไว้ได้เป็นการยับยั้งโทสะไม่เกิดทุกคราว แต่การถูกยากยายโยครามก็เป็นผลดีตอนี้เมื่อจิตเป็นฌานแล้วก็ต้องใช้กําลังเพื่อไวิโรชนาใาค่ะห้ามมันคือการศีลและสมาธิมันก็คนที่มีกําลังกล้ากําลังร่างกายดีตัวโทสะเหมือนกับเสือร้ายคนที่มีกําลังมากจับเสือร้ายกดหมอกลงไปกดแล้วปล่อยไม่ได้กําลังถอยไม่ได้เมันกลับใช่ไหม ถ้ากดแบบนั้นกดนานๆแรงแล้วก็หมด <g led> ก็ต้องใช้มีดฟันคำมีที่มีความคงกล้าความคงกล้าฟันเสียก็คือตัววิปาญญาัสนาญาเมื่อใช้สินทรงฌานทรงฌานมีแล้วปัญญาก็เกิดป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัญญาก็มีความรู้สึกตามความจริงว่าความเกิดและควารโกปปรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราฟี เพราเรามีมิตรสหายมากมีเพื่อนมากเรารักกันมากแล้วก็มีความสุขถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์เรคิดว่าเราเป็นคนไม่มีศัตรูดีกว่าอย่างนี้มันก็ยาวไปนะอย่างนี้ยาวไปจะพูดอย่างนี้มันจบยากเอาตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าสอนลูกชายพระแต่ช่างทองดีกว่าง่ายดีอเพเราเป็นยาว คือลูกพระลูกชายในช่างทองนียยยง่ญาติโยมคนบริษัทที่เคยปฏิบัติมาที่นี่พอใจดีแล้วเอาเว้นไว้ในยันดาบรรดาญาโยมผู้มาใหม่รุ่นเก่าอาจจะสนมขึ้นมากระได้นะขึ้นได้อย่างจะขึ้นไม่ลบ <c oughs> ลูกชายพระแม่ลูกชายพระลูกชายในช่างทองเป็นคนหนุกร่างหน้าตาดีสุดสวยดี และก็บคนร่ํารวยไปปวดใจสำนักของภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรก็มีความเข้าใจว่าคนหนุ่มฐานะดีรูปร่างสวยโภชนักหนักในสัญญาค่าจริตที่รักสวยรักงามดะนั้นท่านยังให้กรรมาฐานก็สุภกรมกกรมก็สุภกรรมฐายกับกายกับตาโนติสุภกรรมาฐานนี่เห็นทุกอย่างไม่สวยไม่งามตามความเป็จริง าตานยอะตาโติเห็นว่าร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มได้วยความสุขสงบสงบพร้อสุขกรพมฐานท่านให้กรรมาฐานอย่างนี้เช่นเวลาสี่เดือนพระลูกชายได้ช่างทองไม่ได้บรรู้อะไรเลยไม่ได้ฌานโลคีอย่าลืมนะภาษาดิบนะุตรอรันอรันยันยอดนะท่านนี้เพราะอะไรเพระว่าก็ษาดิบุตรเข้าใจผิด ว่าพระลูกชายในแช่างทอนเป็นคนมีราคาจริตแต่ความจริงๆแนละ้วท่านเป็นคนมีโทสติตรายตรงกันข้ามพอถึงสี่เดืนเอนออกพรรษาไปแล้วพรรษ า, าที่บุตรเอง่าไม่ได้อะไรเลยก็มีความคิดว่าพระองค์นี้คงไม่ใช่มีใสที่หลัจะถึงสอนจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ยังไม่พาพระองค์นี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือจำมาสายอยู่กรนวัฒไปถึงแล้วก็กาบตูวในองค์สมเด็จพระุที่เจ้าโสงทราบว่าพระองค์นี้บทจะเข้าพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานแบบนี้เพื่อสุขกรรมสายกับกายเจริตาลภติซึ่งเวลาสี่เดือนเพือไม่ได้แม้แต่ชาโลกีสมเด็จพระจินรศรีมองดูแลก็ทรงเข้าใจว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ราคาจริตเป็นโทสัจจริต เมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบัติแก้วก็มีพระพุทธนามรเตระหนักแต่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรตาดูก่อนสารีบุตรคนละบทผู้มีศรัทธาที่ศรัทธาก็าจะช่วยได้ไม่มีเขอขอเธอกลับได้พระสารีบุตรก็กลับพรพระสารีบุตรกลับแล้วพระเจ้าก็ให้กรามฐานกับพระลูกชายในชาติทองตง้ไม้มิดดอกบัวทองคําขึ้นดอกหนึ่งได้เป็นสีแดง ให้เไปเอดดอกบัวได้ไปปักเขาการปักขึ้นโมลทรายที่หน้าวิหารตั้งใจลืมตาดูจําภาพไว้ได้ดอกบัวสีแดงพอหลับตายก็นึกเพิงภาพและนึกในใจว่าดอกบัวสีแดงสีแดงสีแดงนี้ติดต้นท่าบท่านบอกว่าถ้าภาพเลืยนไปจากใจลืมตาดูใหม่จําให้ชัดแล้วก็หลับตานึกเึิ่งภาพสีแดงต่อไป ถ้าลูกชายในช่างทองก็ทําแบบนั้นสักครู่เดียวจิตก็ เ, เกิดเป็นชายพอจิตเขาทั้งอุปจาระเบื้องแรกภาพที่แดงก็ปรากฏชัดเราไม่ต้องลืมตาดูใหม่อุปจาระสมาธิสูงขึ้นภาพที่แดงก็จกลายเป็นสีเหลืองเแต่น้อยแต่น้อยในสุดก็เป็นสีขาวเมื่อเป็นสีขาวดงวงก็โตขึ้น ในี๋นี้ตั้งใจที่ว่าดอกบัวนึกว่าเล็กก็เล็กดอกบัวยให้โตก็โตให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังได้การชอบใจอันนี้เป็นโอกาสมีมิตต่อไปเมื่อจิตละเอียดขึ้นสมาธิทรงตัวสีขาวของดอกบัวที่ใหญ่กกลายเป็นสีก็กลายเป็นแก้วแต่ปลายยักษ์อนี้เป็นชานเมื่อจิตเป็นชางทรงตัวดีแล้วอารมณ์ก็ไป็นสุขจิตใจไมั่นคง สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารทรงดำบิดว่าพระลูกชายในช่างทองคนนี้เวลานีิจิตยทรงชานแล้วถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะได้บรรลุมรรคผลหรือเปล่าก็ทรงทราบว่าถ้าไม่ช่วยก็จะได้เพีนแค่ฌานโลกีไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้จึโงโซ่เพีงช่วย วีทช่วยกระท่งเพราะว่าลูกชายได้ช่างทองสร้างดอกบัวนี่เป็นดอกโัว์ตรงคําสีแดงท่านเห็นนเม็ดดอกบัว์ตรงคงําคสีแดงที่มีเสียสดใสให้เศร้ามองถ้าลูกชายได้ช่างทองภาวนาไปพิจารณาไปก็เหลือตามาดูใหม่เห็นดอกบัวที่มีสภาพย่งายงใสสเศมองต้องคิดในใจ ว่ดอกบัวนี้ไม่ดีมีสภาพแย่งสายดีมากแต่เวลานี้สมองไปแล้วก็คิดในใจว่าร่างกายเราก็มีสภาพเี่นเดียวกันเมื่อคุยความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความหอมใสในผิวใยต่อไปไม่ช้าไปไหนก็มีการเหี่ยวแห้งกลดดตรงเหมือนดอกบัวอย่างนี้แล้วก็หลักตาเน้นเพิ่งภาพดอกบัวดีแห้งแล้วเทียบกับร่างกายต่อมาองค์ต้องไปจดจำใจด้วยจิตทรงตัวดีแล้ว สมเด็จก็มาที่แก้วสมนิษดอกบัวให้แห้งลงไปอีกเพื่ิดหลน่นเธอเลื่อมตายก็มาดูใหม่ก็ตกใจพ่าดอกบัวนี่เป็นต้งคําแข็งไม่จี้เพียงแค่เขียวแห้งเวลานี้ปิดห ล, น ล, ล, ลนน่นร่วงโรยลงก็นึกถึงร่างกายรู้ตัวนั่ต่อไปขณะความแก่เข้ามาทับหิวก็ยน่นหลังก็ขมตาก็ะฟาหูก็ฝาปัหัา มีสภาพไปต่างอะไรกระตับวัวก็คิดว่าร่างกายไม่เสร็จเอาไปเพราะเราไม่ดีนออย่างนี้ก็หลักตารพิจารณาไปใหม่ต่อไปองค์สุนทรภิจอมไตรเลิศสุนัยมิทธให้ดอกหวนหักกระจายไปหมดเมื่เธอลืมตามใหม่หรือว่าดอกวัวหักไปและกระจายไปหมดเขาคิดในใจว่าชีวิตของเราไม่ชายก็ต้องตายเช่นเดียวกับดอกวัวถ้าอยู่ห่วงใจแล่นก็ชีวิต คิดตามความเป็นจรร่างกายมีความเกิดนีนเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทั้ากาง ม, มีการสลายตัวในสดในที่สดทั้งกับเป็นภรราริณ์ก็ไม่สมิธายันท่านท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุทั้นต้องการใช้กระสี <c oughs> ก็ใช้ตามนี้นะจาได้ไม่ได้หรืได้ไหมคุณพูดจำไม่ได้ถ้าจะใช้ให้ดีนับรรดาญาโยมพุทธบริษัท ให้ปิากาสินน่ดีที่สุดปิตากาสินแปลว่ากัสินสีนสนเหลืองล้วก็ไม่ต้องทําสด็จเาพระพุทธรูปสีเหลืองที่ตาที่บูชาเนี่ยมองมองท่านในขณะที่มองพระพุทธรูปเข้าใจว่าเป็นพระพรูปเป็นพุทธานุติกรรมฐานแต่เห็นว่าพระพุทธรูปสีเหลืองเป็นปิตากาสินตัวตัดตัสาบตดีใช่ ได้การได้กรรมฐานสามอย่างพร้อมกันหนึ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นปานาปาโนติกรรมฐานข้อหนึ่งแล้ได้หนึ่งกองกองที่สองทราบว่าที่เราเห็นนี่เป็นพระพุบันเป็นพุทธานุตติกรรมฐานและข้อที่สามมีความเห็นว่าสีนี้เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเป็นปัจจัยปักจัยสินรวมแล้เป็นกรรมฐานสามกอง ทำทีเดียวพร้อมกันสามตอนทำอย่า น, ยนี้บ่อยๆตอนตื่นขึ้นถํามีเวลาเวลาบุชาพระจุดทุบจุดเทียน ถ, ถ้าดีับใสดีแช้เทียนไฟทุบไฟนะดีมากเพราะไม่ฟันไม่เข่าตาจุดทุกเทียนถับมันได้ก็ได้ก่อนที่หลับตาจำภาพพระพุทธรูปไมาได้พุทรูปร่างขนเป็นยังไงจำไว้ แล้วก็สีอะไรต่อไปเครื่องหลอดรือไม่ายใจก็ออกหายใจเข้านึ ก, กว่าพูดใจัใจออกแวโทาถูเพราะก็กจำภาพของกรุเป็นงกว่าภาพเลือนไปจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่ทําอย่างนี้ตอนเช้าสักห้านาทีตอนก่อนหลับสักห้านาทีจางทำอย่างนี้ทุกวันแต่ต่อไปถ้าจิตมีความจําแม่นยําขึ้นมีความจํานาน เวลานั่งที่ไหนถ้าจิตว่างเขาเล่นเพงภาพพุทธรูปพุทธรูปที่เราเห็นที่จางจำได้ให้ภาพกลากอกในอกก็ได้คนที่ใส่ ก, ก็ได้สนาเขาได้จำภาพกันไว้ถ้าจิตจําภาพทรงตัวนึกขึ้นอะไรนึกเป็นภาพเป็นพุทรูปเมือนั้นอย่างนี้บรรดาเจาาพุทธบริษัทกําลังใจท่านเป็นผู้ทรงชานทรงชานสามอย่างคือหนึ่งอนาปามุติวัมารฐานด้วยปีติกากระสินด้วยพุทธานุสติดว้ดวย ถ้านึกถึงภาพพุทโธได้มาแรงนึกเห็นเห็นภาพทันทีใจเห็นแล้วจะตายเห็นนะภาพเพียงอย่างนี้เห็นรูเห็นรูปป ก, กติถือว่าเป็นอุปการนี้ไมเครื่องต้นเพียงเท่านี้บรรดาพุทพ菩萨นี้จนก็ลงนรกไม่ได้แล้วเถือว่าไม่ตกนรกกันแน่นอนเพราะก่อนจะตายตายิ่งพุทโธแจ่มใสมากกว่านั้นและรายการสอนกาลังใจในด้านโภศาจะลดลงมาก แปล ว, ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจำคําแนะนําขององค์พระเดชพระคุณมีพระภาาเจ้าได้ถ้าจิตทรงอุปจารสมาธิหรืออุปจารฉานันการเห็นภาพของรูปคือนึกเห็นตามภาพเดิมในอุปจารสมาธิเปองต้ น, ตนถ้าบังเอิญเห็นภาพรูปที่มีสีเหลืองเขาจะคลายตัวลงสีเหลืองเขาไม่จาแต่คนไม่จางหมดทันทีทันใดจ้างวิจารน้อย วันนี้เห็นจางไปหน่อยเวลาหลังเห็นจาง ม, มากว่านี้จึงทําพระรูปสีขาวพระรูปสีขาวชัดถ้าต่อไปเราเลึกว่าพระตรูโนี้ขอย่างโตตึงโตโตตามนึกโยเล็กลงตัวนึกตามนี้อยู่ข้างซ้า ย, ยาอยู่ข้างขวาอยู่ข้างหน้าอยู่หลังติดไปตามนั้นอย่างนี้เป็นองค์นนี้นิดแต่ อ, อุบานิมิตรเป็นมาตรากํกาลังจิตใกล้จะเข้าถึงฌาน ต่อไปจะทำอย่างนี้วันนํ้นได้ตรงมากนักจำภาพไว้เจ้าตั้งพัทรูกกลายเป็นแก้วแก้วใสแลพล้วคลาบนยิยัอย่างนี้เป็นชานสมาบัติไปกำลังใจทุกบรรดาจันพุทธศส่เข้าถึงชานกำลังโพสะจะลดลงมากจิตใจจะมีความเยเือกเยน็นถ้าใช้กำลังจิตเป็นที่ปุญญายนจะได้ชัดเจนจ่มใสมากแต่แต่ ถ้าต้องการเป็นพิจุยานวิหมายควาพถ้าไม่ฝึกมโนยิทธิาศาสติ ญ, ญาณนะเป็นได้สุขภิสโตรและกลายเป็นวิชาสามเพื่อใช้กําลังเห็นภาพพุทธรูปถึงแม้ว่าจะไม่เป็นแก้วกวาตามเห็นภาพพุทรูปกับปกติก็ตามอย่างนี้ใช้กําลังที่เิ็นุญานได้อันดับแรกใจนึกถึงภาพพุทธรูปก่อนถึงภาพพุทรูปชัดเจนขนาดไหนแล้วต้องการเห็นอะไร ปฏิฐานว่าขอภาค พ, พุทธโลกยงหายไปภาคนั้นยังปรากฏภาคนั้นจะปรากฏอย่างใสเท่าพุทธโลกที่เราเห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดเมื่อรวมความไมื่อวิธีตัดโทสะก็ใช้ได้สองอย่างคือว่าคนามมีานสี่แล้วก็ะสินสี่อย่างใดอย่างห น, นึ่งนี่การแนะนําต่อไปก็การตัดโมหะความหลงนี่เป็นก้าที่สามโทสะตัดยากรน่อยนะที่ไง แต่อยา่างนี้จะเรียกว่าถ้าตัดโลภพาได้โทรสะก็อ่อนกําลังโมหะก็อ่อนกาลังถ้าตัดโมหะความหลงก็พิจารณาตามความเป็นจริงคือวิชาให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงเป็นอนิจจังทั้งหมดคนก็แป็นอนิจจังไม่เที่ยงใส่ ก, ก็แป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็แป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกัน คนเกิดขึ้นตัวเล็กต่อมาก็ตัวใหญ่คลายตัวนี่มันไม่เที่ยงถ้าเที่ยงตัวเล็กตามเดิมต่อมาก็ใหญ่เต็มที่ต่อไปแก็แก่ต่อไปก็ตายที่มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรดีแส่ก็ไม่สภาพเที่ยงเดียวกันวัตวุธาตุก็ไสภาพเหดือนกันกระบวนกามมันโลกนี้ทั้งโลกหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อไม่มีความเที่ยงแม้เราคิดว่าเที่ยงจิตก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงตามใจเราชอบ ในที่สุดเวนัสตายสลายตัวหมดคนก็ตายใจก็ตายวัตถุธาตุก็พังก็คิดในใจว่าเรายึดถือโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรเรายึดถือร่างกายของเราดีร่างกายของคนอื่นกดีทุกอย่างไม่สวมตัวก็ไม่ควรจะยึดถือเป็นว่าโลกที่เป็นทุกอย่างนี้มีความไม่เที่ยงนี่เราไม่ต้องการเราต้องการสิ่งที่ที่นิจังหรือความเที่ยงนั่นคือปฏิปันธ์หลังจากนั้นบรรดาเป็นพริสุทิ์เฉพาไปเวียนมา หนึ่งตั้งใจตัดรูปภาพความโลภโดยในคิดยากอยากได้ทรัสมบัติของใครคิดให้อย่างเดียวทําลายความโลภให้หมดไปในการทีสองทำจิตแห้ไปในคนที่มีความผิดตามตรงควรถ้าเขาทําให้เราไม่ชอบใจคิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการยินคำอย่างนี้กาลังใจข้าวดีขึ้นทางยินดีความโกรธก็มีความรำสาญการพิจารนาตา น, น, า น, านิี่คำแนะนํำของค์สมเดชพระจิตธรมานว่าทิ้โลก เป็นรามีความไม่เที่ยงเป็นทุกวันและตายในสุดจิตใจขบันดาเมร่อบันดาเป็นพุทธบริษัทัหลายโดยทนไดก็มีจิตแจม่มใสไม่เกาะร่างกายพวกเราไม่กาะร่างกายของคนอื่นไม่ก่อวัตถุธา ต, าใตุใดๆจิตใจสะอาดไม่ส่งโกรธใกิเลสก็สามารถปฏิบัติได้ตามคาแนะนํขาข อ, ขององค์สมเด็จตบหลวงหลวงพระเสด็จนี่เวลามันจะหมดต่อนนี้ไปขบรนดาเป็นพุทธบริษัททหลาย ยังไม่นสมาทานนะเพิ่งสั่งขาด <c oughs> <c oughs> ทำสังพาหหายท้อไปแล้ว <c oughs> ที่พูดมามันยาวเกินไปนี่พูดวันสุดทนะ้ายเนี่ยเลยต่อไปเพื่อหวังนิพพานจริงให้จับระยะสัน้นอันดับแรกจกรับอารมณ์อารมณ์โสดาไปก่อนอันนี้ต้องเอาให้ได้ วันนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาให้ได้ตรงนี้ไม่ไ ด, ไไ ด, ปไได้ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาให้ได้เอาให้ได้คือคาว่าเอาได้จับเป็นรายรายไปอารมณ์วสุวดาบันจริงๆเอาตั้งสี่ก็แล้กันนะหนึ่งสกายญาติทิให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายมันจะตายวันนี้จะตายวันอื่นก็ตามต้องตายแนะ่ ไม่มารื้อชีตที่คิดว่าชีวจะไม่ตายจะไม่เมาอที่มันต้องตายแน่สองไม่ทราบว่ามันจะต้องตายเราต้องไมตรีมาสยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นนิพพิจึอยอมรับรับถือด้วยสัญญาสิกษาตามความเปจริงพระพุทธเจา้าดีแบบไหนทําไมจึงได้ดีพราธรรมธรรมจได้วดีพระอริยสงฆ์ธรรมจึงได้ดีแต่ความสงสัยของท่านนั้นยอมรับรับถือด้วยความเป็นจริง และประการในสามพยายามส่งศินให้บริสุทธิ์โดยเพาะอย่างยิ่งสินห้าสินห้าในยากหน่อยคือไม่อยากทุกข์สิขาบทบางสิ้าบทเฉพาบางบางคคแต่มีความเข้าใจจริงๆก็มาอยากนะักถ้าต่อไปก็จิตตั้งไว้จุดเดียวคือคิดว่าโลกนี้เป็นทุกอย่างนี้ไม่ต้องการมาอีกแต่ว่าโลกกับบนว่าโลกมีสุขจินดแต่ว่าไม่สุขนานไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวนี้ไ